ความประพฤติของพระอรหันต์พระตถาคตอรหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้า น, นะความประพฤติของพระปเจกพุทธเจ้าเฉพาะส่วนความประพฤติของพระสาวกทั้งหลายเฉพาะบางส่วนเรียกว่าโลกตจริยาอันนี้เป็นจริยาแปดที่ท่านที่ท่านปฏิบัติกันเนี่ยนะครับ่าเที่ยวของท่านเนี่ยท่านเที่ยวแบบมีหลักการ น, นะแล้วเที่ยวของเราอะเทศการท่องเที่ยวเที่ยวไปยังไงถ้าเราไปเที่ยวไปยังไง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 อย่างเช่นอย่างที่หนึ่งนะประพฤติ ด, ด้วยอิริยาบท2องอายตนะ3 ส, สติ4สมาธิ5้าญเนี่ยนะสติสมาธิกายานก็เท่ากับเที่ยวไปด้วยอินทรีย์5นั่นแหละอ่นะอิริยาบทกอายตนะนั่นแหละคือศรัทธากับวิรยิยะนะศรัทธากับวิรยิยะนั่นแล้วก็ผลของการเจริญอินทรีย์เหล่านั้นก็บรรลุอริยมรรผลของอริยมรร ก, ก็คือสามัญญผลผู้ที่บรรลุมรรผลไปที่ไหนก็ไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่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 บุคคลผู้มนัสิการว่าผู้ปฏิบัติอย่างนี้ย่อมบรรลุคุณวิเศษย่อมประพฤติวิเศษด้วยวิเศษสจริยคือสรุปว่าท่านภาคเพียรปฏิบัติด้วยการเที่ยวไปด้วยตรงนี้เน้นพิเศษก็คืออะไร อินทรีห้าอินทรีห้าเนี่ยนะเจริญเน้นเจริญอินทรีย์าเที่ยวไปด้วยอินทรีห้าไปเพื่อเพิ่มภูมอินทรีห้าไปเพื่อเจริญอินทรีห้าในที่สุดอินทรีห้าที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วก็ยังลงสู่อ ม, มะตะเนี่ยนะเหมือนอะไรเหมือนแม่น้ําแม่น้ำํำคงคาก็บอกไหลไปสู่ทิศปราจีนฉันใด น, นะทิศปราจีนคือทะเลนะไหลไปสู่ทะเลฉันใด อินทรีห้าที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วก็ยังลงสู่อมตะฉั น, นั้นเนี่ยนะไล่ไปสู่อมตะนั้นจริยาอีกในหนึ่งนะจริยาด้วยมรรคแจริยาอีกในหนึ่งก็คือการประพฤติสัมมาทิฏฐิเรียกว่าทัศนจริยาเห็นร้ายเห็นอริยสัจประพฤติสัมมาสังกัปปะชื่อว่าอภิโรปนจริยา ประพฤติเพื่อในกุศลสังกปะสามสัมมาวาจาเนี่ยปริคหะจริยาถือเอาโดยรอบเพื่อจะเว้นจากมิจฉาวาจาเนี่ยนะสัมมากัมมันตานิสมุทฐานะจริยาก็คือเป็นสมุทฐานาแห่งการทําดีสัมมาอาชีวะนี่เรียกว่าพโวโทธานาจริยาเป็นความประพฤติอย่างพองแผ้วสัมมาวายามะปัจขะจริยาประพฤติด้วยความภาคเพียนสัมมาสติเรียกว่าอุปฐานะจริยาคือการตั้งมั่น สัมมาสมาธินี่เรียกว่าอาวิเคปะจรยาคือความไม่ฟุ้งซ่านอันนี้เรียกว่าจรยาแปประการ น, นี่จะเรียกว่าเพียงผู้เดียวเนี่ยนะ mm hmm. คำว่าเที่ยวไปแต่เพียงผู้เดียวเหมือนหน่อแรศความว่าเชื่อว่าแรศนี่มีหน่อเดียวไม่ได้มีสองหน่อฉันไดไม่เหมือนเขาใช่ไหม เขาเขาควายเขากะบือเป็นต้นเนี่ยมีอยู่สองเขาแต่ว่านอแรดมีหนอเดียวเหมือนปลาแรดก็มีอยู่อันเดียวนั่นน่ะพระัาเจกพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยนะย่อมเป็นเหมือนกับหนอแรดเช่นกับหนอแรดเปรียบด้วยหนอแรดฉะนั้นเหมือนอะไรเหมือนรสเค็มจัดสิ่งที่เค็มที่สุดเรียกอะไรเค็มจัดเรียกว่าเกลือขมจัดเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับของขมเช่นบวบขมเป็นต้นเนี่ยนะถ้าหวานจัดก็เรียกเหมือนอะไร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 ไม่ใช่น้อยเลยนะแหมผมเนี่ยบื่อเต็มทีผมอยากจะลีกเล่นแล้วก็ไปไปลี้เล่นได้ทำอะไรก็ไปนั่งนับต้นไม้ใบหญ้าดีไม่ดีก็ไปเรียนโน่นพฤกษชาติที่ไหนได้เนี่ยว่าไปเรียนอารยศัตร์ในป่าไปพิจารณาอารยศตัตร์ไม่หรอกไปหาขุดต้นไม้ใบหญ้าดีไม่ดีไปทางป่าดีไม่ดีไปมามามาไปสร้างวัดเฉยเลยคนนี้ในที่สุดก็กลายไปเป็นเจ้าวาดยิ่งก๊ ถ้าโยเป็นโยนะัมีเรือนหลังเดียวท่าม่รู้กี่หลังต่อกี่หลังบริหารไปเถอะศาลาเช็ดทูไปเถอะัอนใ น, อ, น, นอัตถกถาสุตตานิบาตหน้า132ย่อหน้าที่บอกว่าการพนานาเนื้อความตามบทในคาถาเพียงเท่านี้ก่อนแต่บัณฑิตเพิงทราบโดยอนุสนธิการเชื่อมโยงแห่งการอธิบายอย่างนี้ว่า อาทยามีประการดังกล่าวนี้ใดอันบุคคลให้เป็นไปคือไม่วางในสัตว์ทั้งหลายครั้นเมื่ออาทยานั้นอันเราไม่ให้เป็นไปแล้วในสัตว์เหล่านั้นคือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะโดยปกติเนี่ยนะมีแต่มุ่งลงโทษต่อสัตว์อืน่นแต่เราไม่เป็นเช่นนั้นไม่ได้มุ่งลงโทษต่อสัตว์อืน่นการมุ่งลงโทษต่อสัตว์อื่นคือทำอะไรก็คือการทาทุจริตกรรมกับคนอื่นเนี่ยนะทำทุจริตกรรมทั้งกาย HAVE ทุจริตวจีทุจริตและ มโนทุจริตเราไม่ทําอย่างนั้นเราเชื่อว่าวางอาทยาคือวางทุจริตกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตในสัตว์ทั้งปวงแล้วด้วยเมตตาเมตตานี้เป็นปฏิปักษต่ออาทยาเป็นปฏิปักษต่อทุจริตด้วยการนําเข้ามาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์อื่นเพราะเราวางอาทยาได้แล้วเนี่ยนะวางวางโทสะเจริญแต่อโทสะน้อมเมตตาเข้าไป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 วิจารณาเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์และสังคตะอย่างอื่นโดยโด้วยอะไรทิเทวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมขามคาย า, านทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิและญาณทัศนวิสุทธิจึงบรรลุปัจเจกโพธิยาน เรื่องราวต่อไปอีกนิดหนึ่งเมื่อพระปเจกับพระพุทธเจ้ า, าตรัสเล่าให้ฟังอย่างนี้จบแล้วอมรรตเหล่านั้นก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัตรนี้พระองค์จะเสด็จไปณนะที่ไหนลําดับนั้นพระปเจกับพระพุทธเจ้ก า, าก็ระลึกว่าพระปเจกับพระพุทธเจ้ า, าองค์กรๆท่านอยู่ที่ไหนก็รู้แล้วตรัสว่าที่ภูเขาขันธรร ม, ม, ามารอมรรตก็กราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัตรนี้พระองค์ทรงทอดทิ้งไม่ทรงปรารถนาะพวกข้าพระองค์อย่างนี้ พระประเจก็ตรัสว่าบุคคลไม่พึงปรารถนาบุตรอธิบายว่าบัดนี้เราไม่พึงปรารถนาบุตรแม้คนใดเลยไม่ว่าบุตรที่เกิดจากตนเป็นตน้นจะพึงปรารถนาสหายผู้เช่นกับท่านมาจากที่ไหนขนาดลูกเรายังไม่เอาไปด้วยเลยนะจะเอาท่านไปทําไมวางเงินเพราะฉะนั้นแม้พวกท่านทั้งหลายผู้ใดต้องการจะไปจะไปพร้อมกับเราผู้นั้นก็ต้องเหมือนเราอนนัต้องเป็นอะไร เป็นพระปเจกพระพุทธเจ้าเหมือนเราผู้นั้นก็จะเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรดอันนี้อธิบายอีกในยะหนึ่งอีกในหนึ่งบอกว่าพระปเจกพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้อันอมาตเหล่านั้นทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้พระองค์ทรงทอดทิ้งไม่ทรทงปรารถนาพวกข้าพระองค์เลยแม่น้อยใจนะแม่น่าจะเอาพวกเราบ้างนะฝึกศาสตรท์ทำบ้านทุกมันทุกอย่างรับใช้พระองค์มาเป็นอย่างดีพระองค์น่าจะอะลัยอาโวลบ้างนะอย่างเงี้ยนะน่าจะน่าจะอะไรเ น, นะนีย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 นาคาปริเวธนาบรรพธ์จันทสัมภระบัรพธ์สุริยพระบัรพธ์สุริยสัมภระบรนพธ์สุวรณรณปัสะบรรพธ์และก็หิมะวันตะบรนพธเนี่ยนะก็เป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าจะได้เหาะไปดูบ้า ง, างนะนะเมื่อวานโยงเข้ามาถามว่านี่คําสุดท้ายเนี่ยขอให้ข้าพเจ้า เพิ่งได้ยานเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนอันสูงสุดเทินเหมนนี่แปลว่าพระตาประเจกกับพระเทเจ้าใช่ไหมขอให้มันบรรลุเถอนมันบรนนรลุอะไรก็บรรลุเถือนเนี่ยนะจะบรรลุท่าไหนกะใครเมื่ อ, อไรอย่างไรก็ไม่ต้องไปหนักใจเราคือคําปรารถนาเนี่ยท่านก็บอกว่าสรุปว่าจะด้วยวิธีใดอย่างไรยังไงขอให้มันบรรลุไม่บรรลุชาตินี้ก็บรรลุชาติ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 สะพังทั่วไปในน้ําไม่ว่าจะเป็นบกโดยพิเศษในวันที่พระประเจกกับพุทธเจ้าเสด็จมาถึงข้างหน้าต้นไม้นั้นมีโรงรัตนะทุกอย่างในโรงรัตนะนั้นลมพัดสําหรับกวาดลมพัดอยากเยื่อลมพัดเกลี่ยพื้นลมพัดทรายที่แล้วด้วยแก้วทุกอย่างให้ราบเรียบลมพัดลมสําหรับรดย่อมแต่ว่ายพัดเอาน้ําจากสาดโดนดาดมารด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 ถ้าเหมือนตัวทุกอย่างรับได้ใช่ไหมถ้าพิเศษกว่าตัวแล้รับไม่ได้เอ้ยคนอะไรจะปานนั้นในวันที่พระประเจกพระพุทธเจ้าเกิดเกิดขึ้นเนี่ยนะและก็ไม่ว่าจะวันเกิดขึ้นหรือวันอุโบสถพระประเจกพระพุทธเจ้าทั้งปวงก็นั่งประชมที่ในที่เหล่าใดที่อาสนะเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นที่ปูแล้วในที่เหล่านั้นทุกเมื่อนี้เป็นปกติของภูเขาคันธามาสคือที่ประชุมเนี่ยแตเรียกว่าไปถึงนั่งได้เลย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 คือสรุปว่าการพูดการคุยการสนทนาทั้งหมดเนี่ยนะท่านในทางศาสนานี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุมรรผลนิพพานถ้าทุกคนทุกฝ่ายบรรลุมรรผลนิพพานหมดท่านเหล่านั้นก็จะเข้าพละสมาบัติสบายเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นการปราศัยต้อนรับกันแบบสูงสุดแล้วนะทุกคนก็ือต้อนรับแบบพิเศษเข้าพละสมาบัติกันหมด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 สี่ครั้งมีอะไรบ้างหนึ่งฐานะที่พระเจ้าพรหมทัตรตรัสรู้โดยชอบซึ่งพระประเจกโพธิยานพวกอมมาถามอันนี้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองตรัสที่มันชุศกะมาลาครั้งที่สพระพุทธเจ้าตอบพระอ น, นุลเมื่อทูลถามครั้งที่สตอนสมัยธทมสังขยนาครั้งที่หนึ่งด้วยประการะนีคาถ า, าเดียวนี้แสดง4ี่ครั้งอันนี้แบบใหญ่ๆนะที่ไปแสดงแบบทั่วๆไปก็ต่างหาก อันนี้ก็จบข้อความในเรื่องที่หนึ่ง